ทัชกรหัตถาธยากลผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเป็นระยะเวลา14วันตั้งแต่วันที่4ถึง17พฤษภาคม2564 หยุดการแพร่ระาบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันฉัดตรมงคลี4พฤษภาคมเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากราุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร่วมแรงร่วมใจทำความดีอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ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 นำพาด้วยคนนาาุณธรรมน้อมนำสู่การศึกษาสิบนิ้วก้มลงวันทาศรัทธาบาัน จากรู้ว่าม่วงเหลืองก้าวสู่ความรุ่งเรืองทั่วกันดังคู่ต้นต่ตสู่แดดฝนไม่วันออกดอกช่อนั้นแดงบางงามตามจากวันนี้ไปได้นำความรู้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 บอกว่าในช่วงเปิดเผยวันที่สิบสองพฤษภาคมที่ผ่านมาในยอดผู้ติดเชื้ อ, อสะสมนี่แปดหมืนกว่าคนนะครับนะซึ่งอาการหนักนี่ประมาณ 1,226 รายนะใส่ท่อช่วยหายใจอยู่400กว่ารายนะครับแต่ที่สำคัญคือมียอดผู้เสียชีวิตสูงสุดที่34รายนะครับในวันที่สิบสอง พัสดาคมเป็นตัวเลขสูงสุดนะที่ผ่านมานี่ก็เสียชีวิตไม่ไม่ถึงขนาดนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นนี้ตรงนี้นี่ก็ต้องต้องจับตามองส่วนใหญ่แล้วก็อยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลแลวครับนะเป็นแถวสมุทรปราการแถวแถวกรุงเทพนครปฐมปทุมธานีรอบรอบกรุงเทพนะครับแต่เป็นเป็นส่วนใหญ่นะครับที่ที่เสียชีวิตแล้วก็ ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้มีเสียชีวิตนี่ก็บอกว่ามาจากโรคประจำตัวอย่างเช่นคนที่มีภาวะอ้วนผู้สูงอายุปอดอาจจะเป็นโรคปอดเรื้อรังนะครับแล้วก็คนที่สู่บุรีนะครับทั้งบุรีไฟฟ้าบุรีธรรมดานี่โอกาสติดเชื้อนี่สูงกว่าคนปกติ14เท่าว่าอย่างนั้นนะครับนะเพราะในตรงนี้นี่ ไทยเรามียอดผู้เสียชีวิตสะสมประมาณ486คนแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่คงจะต้องใช้ความระมัดระวังมีมาตรการที่เข้มข้นขึ้นซึ่งห ล, หลายฝ่ายก็บอกว่าต้องเร่งในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนโดยเร็วนะครับนะให้ได้สัสดส่วน ท, ที่ที่สูงขึ้นนะครับนะไทยเรานี้ยัง ก า, การฉีดวัคซีนนียังไม่ถึงหาเเซของประชากรนะต้องดังเร่ง น, นะครับต้องเร่ง น, นะให้ให้ฉีดให้รวดเร็วมากกว่านี้เมื่อเทียบกับประเทศอื่นนะครับในอาเซียนนะเราก็ยังตามหลังก็อยู่นะครับเพราะฉะนั้นในตรงนี้คงคงจะต้องดูนะครับที่กระทรวงสาธารณสุขนีน่นายดุทินชาญวิรกุลรองนายองตรีและรัฐมนตรีสาธารณสุขนะก็ เปิดเผยว่าหลังจากมีการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติซึ่งที่ประชุมก็ได้รับทราบนโยบายของนายยงตรีนะครับว่าให้มีการจัดหาวัคซีนโควิด1 9เนี่ยเพิ่มขึ้นให้เพียงพอกับประชาชนซึ่งก็ให้มีการจัดหาได้3แนวทางก็คือมีการเพิ่มวัคซีนจากร้อยโดสร้อยล้านโดสเป็น150ยล้านโดส ในปี2565และอันที่2นี้เร่งเจราจากับผู้ผลิตวัคซีนนะให้ให้เร็วแล้วก็ให้มีหลายๆบริษัทนะเพื่อเพิ่มโอกาสในการรับวัคซีนให้ครอบคลุมนะซะึมีข่าวว่ารัฐมนตรีสาธารณสุขก็มาเปิดเจราจากับบริษัทไฟเซอร์ไปแล้วนะครับนะบอกว่าจะส่งเข้ามาในไตรามาสที่3ว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่า ก็อย่างที่รับทราบกันดีว่าเป็นวัคซีนยี่ห้อที่มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับของไฟเซอร์อันที่3นี่มีการปรับแนวทางการฉีดวัคซีนให้มีการฉีดแบบปูพรมในเข็มแรกให้กับประชาชนมากที่สุดเพื่อที่จะลดโ อ, อกาสการติดเชื้อนะครับเพราะนั้นนี่ก็แนวทางที่3นี่ก็คงจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของอาการกระจายจุดนะการฉีด วัคซีนให้ให้แพร่หลายแล้วครับนะซึ่งหลายฝ่ายก็เสนอแล้วว่าน่าจะเป็นศูนย์การค้าบ้างนะครับตามสถ า, านที่สาธารณะต่างๆคือกระจายให้มากประชาชนจะได้เข้าถึงนะก็เหมือนกับที่ในส่วนของสหรัฐอเมริกาหรือแถวโยุโรปแถวอะไรต่างๆทำนะซึ่งอย่างที่ในสารันี่เราจะเห็นว่าแม้แต่ร้านขายยาเนี่ยทุกร้านนี่ก็มีบริการฉีดวัคซีนให้กับ นะประชาชนทั่วไปคือประชาชนนี่เข้าถึงได้ง่ายนะครับในการฉีดทําให้สัตว์ส่ว น, นในการรับวัคซีนสูงนะครับนะของสหรัฐนี่ก็เป็นเกินครึ่งหนึ่งของของประชากรแล้วนะครับก็คือประมาณ100ล้านกว่าคนนะครับนะของสหรัฐนี่ก็มีประชากรอยู่200ล้านนะครับสองล้านเพระาะฉะนั้นนี่ตรงนี้เนี่ยจากการเปิดเผยของมตีสาธารณสุขเขบอกว่าสําหรับรูปแบบ ของการฉีดวัคซีนเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่3รูปแบบอันแรกก็คือการมลงทะเบียนนัดหมายผ่านระบบหมอพร้อมนะครับทั้งไลน์ทั้งแอปพลิเคชันนะคืออยู่ในแ อ, แอปไลน์นี่ก็มีนะครับหมอพร้อมแล้วก็อยู่เป็นแอปพลิเคชันต่างหากนี่ก็มีเหมือนกันนะซึ่งก็ไป สามารถดาวโหลดและติดตั้งกันได้เหมือนการสำหรับคนที่มีมือถือนะครับนะสำหรับคนที่ยังทำไม่เป็นนี่ก็จะต้องให้ลูกหลานนะช่วยนะครับนะช่วยตรงนี้นะครับแล้วก็มีการแนวทางที่2นี่มีการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรองค์กรของรัฐเอกชนและหน่วยงานต่างๆคือรวมตัวกันมานะครับมาแล้วก็มานัดหมายในเรื่องของการฉีดนะเพราะฉะนั้นก็เป็นแนวทางที่2 นะครับนะส่วนแนวทางที่3ก็คือการฉีดแบบปูพรมในลักษณะของการ w a ล k in เดินเข้ามาฉีดนะไม่ได้นัดหมายล่วงหน้านะซึ่งตรงนี้นี่ก็มีอยู่สามแนวทางนะพะทั้งตรงนี้นี่คงจะต้องเร่งด่วนแล้วครับนะเพราะว่าที่จะรับมือกับการระบาดนี้คงจะต้องเร่งด่วนมารับฟังเพลงสักเพลงก่อนที่เราจะมาพูดมาคุยกันต่อครับ ไ, ไว้เคียงข้างมอนเมื่อยามหลับนอนออนน้องพี่ห่วงใยจำคืนวันนั้นได้ไหมเหล่าเคยมีสองเรานั่งอิงพิงไฟเรายังคงรักกันสดใส ไกลหัวใจไม่ห่างกันวนฟ้าที่หงดดาววนสา ไม่ทำให้ใจของพี่เปลี่ยนผันคำว่าจะสัญญาคงมันซื่อตรงต่อกันรักมันเพียงเธอรอจงรอถึงวันรวมสร้าง ยังค้างเสมอใจดวงเดียวรักจริงแต่เธอไม่ยอมให้เปิดเพ้อใจแบ่งพันวอนฟ้าที่ห่มดาววอนส สาว เาาลยมากยิ่งขึ้นมาพูดม า, มาคุยกันต่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์โควิดนะครับที่ค่อนข้างที่จะระบาดค่อนข้างที่จะหนักหน่วงกันในใ น, ในช่วงนี้นะครับ อธิบดีกรมควบคุมโรคนายแพทย์โอพทยการกรวินพง์นะครับก็กล่าวบอกว่าตอนนี้ในภาพรวมแต่ละจังหวัดนะมีนโยบายให้ฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมประชากรอย่างน้อยร้อยละเจ็ดสิบนะครับแล้วก็พยายามที่จะมีการกระจายการฉีดให้ได้มากที่สุดนะครับน ะ, ะจากการเปิดเผยของกรมควบคุมโรคแล้วก็สัดส่วนของการ ฉีดวัคซีนนะครับจากคุณหมอเนี่ยบอกว่าแบ่งเป็น3รูปแบบใช้หลัก 30, 50, 20คือนัดหมายจากระบบหมอพร้อมร้อยละ30นะแล้วก็เป็นกลุ่มที่นัดหมายที่โรงพยาบาล น, นัดหมายให้มาฉีดเนี่ร้อยละ50แล้วก็พวกวอ l k กอินคือเดินเข้ามาฉีดได้เลยร้อยละ20ซึ่งก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ให้เหมาะสมกับโรงพยาบาลแต่ละแห่ง เนะพราะนั้นตรง น, นี้ก็พยายามที่จะเนะร่งในการฉีดวัคซีนนะครับนะก็จากการเปิดเผยของกรมควบคุมโรคติดต่อนะครับแล้วก็ในส่วนของนายงตรีนี่นะครับมีการาไปตรวจเยี่ยมนะสถานที่ฉีดวัคซีนโควิด -19 านะนอกโรงพยาบาลที่ห้างเซนทัลลาดพร้าวนะพร้อมด้วยรําตีสาธา ร, รณสุขนายนุทินชันวิรกุล ก็กไปตรวจเยี่ยมไปดูรอะเริ่มมีการทดสอบระบบแล้วก็เริ่มมีการฉีดให้กับประชาชนแล้วนะครับนะ ท, ที่ที่ลาดพร้าวนะเมื่อวันที่12พฤษภาคมนะก็อ่าก็ต้องดูนะครับว่าจะได้ผลมีการกระจายตามห้างต่างๆนะทั่วกรุงเทพนะก็ก็เป็นสิ่งที่ดีแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยจากการเปิดเยผยของสื่อมวลชนนะครับว่า ลุงปนัสยานี่ติดโควิดนะครับนะคาดว่าติดมาจากเรือนจำพอเป็นข่าวขึ้นไปกรมรชาชทัณฑ์ได้ชี้แจงบอกว่ามีการตรวจเชิงลุกก็พบว่ามีผู้ที่ติดโควิดนะครับในทันสถานหญิงกลางนี่ประมาณ 1,040 คนแล้วก็เรือนจำพิเศษกรุงเทพก็มียอดผู้ติดเชื้ออีก 1,795 คนนะครับซึ่ง กรมราชทัณฑ์ได้แยกจักตัวผู้ต้องขังนะครับนะมีการจัดสัดส่วนแล้วก็มีการตั้งโรงพยาบาลสนามอยู่ในเรือนจำซึ่งหลายฝ่ายก็กังว ล, ลวครับเพราะว่าเรือนจำนี่ก็เป็นเป็นสถานที่แออัดนะนักโทษเนี่ยนอนกันห้องเดียวกันเนี่ยเบียดเสียดนะก็กลัวว่าจะเป็นคลัสเตอร์ใหม่นะเพราะนักโทษเนี่ยบางครั้งต้องเบิกตัวมาที่ศาลแล้วครับนะอาจจะมีการกระจายเชื้อกันไปได้ก็ กังวลรวมทั้งกรณีนักกีฬาทีมชาติวอลเลย์บอลยิงนะครับนะบอกว่าติดโควิด22คนนะครับแต่จากการเปิดเผยของนายสมพรใช้บางอย่างซึ่งนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่คงจะต้องเลื่อนการไปแข่งขันต่างประเทศนะก็ก็น่ากังวลเหมือนกันนะเพราะว่ามีการระบาดกระจายกันไปใน หลายๆกลุ่มคงจะต้องมีการช่วยกันในการเร่งฉีดวัคซีนนะครับให้มากที่สุดนะก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ทําอย่างไรที่จะได้วัคซีนที่หลากหลายยี่ห้อนะครับนะเข้ามาแล้วก็มีการเร่งฉีดให้กับประชาชนแต่กระจายไปทั่วถึงตามสถานที่ฉีดวัคซีนนี้ให้กระจายไปทั่วประชาชนเข้าถึงได้ง่ายก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับสำหรับวันนี้นะครับเวลา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 ฝันยามนุนเธอฝากความอบอุ่นละมุนให้ฝันถึงเธอ